อันดับจากนี้ไปโปรดรับฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมพระอัปอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดตาบ้านตาจังหวัดอุดรธานีแสดงอบรมพระและพระลวาดที่สลาวัดขอน้อยสามผันท่าใหม่จันทบุรี จะเริ่มพูกธรรมะให้พี่น้อก้าหลายไรรม่ทราบถึงความเป็นมาแห่งธรรมว่าเป็นมาได้อย่างไรว่าธรรมเกิดขึ้นในโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรเรานับถือพุทธศาสนานั้นนับถืออย่างไร คำว่าพุทธศาสนาแปลว่ามีเราแปลอย่างผิวเผินตามกิริยาสมมุติของโลกว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธแปลว่าผู้รู้ศาสนาได้จากคาสั่งสอนการแสดงออกแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าในขั้นเริ่มแรกที่พระองค์ทรงประกาศสอนทำเอง เป็นอาการออกมาจากพระโอษฐ์คือปากของพระพุทธเจ้านี่เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นธรรมแท้บรรจุอยู่ในพระไทยของพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิสุทธทิธรรมธรรมที่ยังพระองค์ให้ประเสริฐธรรมที่ยังพระพุทธเจ้าของเราให้พ้นจากทุกข์ธรรมที่ยังพระพุทธเจ้าให้เป็นศาสตราเอกของโลกนั่น อยู่ในพระทัยของพระองค์เองไม่สามารถที่จะนำออกมาแจกจ่ายท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้เหมือนวัตถุสิ่งของต่างๆหรือและเหมือนอาการแห่งธรรมที่นำออกมาแสดงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลอันปรากฏเป็นธรรมในโลกให้เราทั้งหลายได้ยึดได้ถือว่าสาสนาธรรมหรือว่ า, าศาสนา พระองค์เองทรงชี้แจงแนวทางให้เราทั้งหลายรู้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณและโทษนรกสวรรค์พรมโลกตลอดนิพพานสิ่งที่พุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงได้ทรงแสดงออก ทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประจักษ์แล้วด้วยพระไทยหรือพระจักสุยาณของพระองค์เองเมื่อได้ทรงทราบประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นบาปบุญเป็นต้นแล้วจึงได้นำนั้นออกมาแสดง เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ในโลกกัจจานี้มาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ที่จะขุดค้นอย่างทราบอย่างรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างกระจัดสิ่งที่ควรจะโลภีปีตัวสิ่งที่ควรจะโลภจะละเว้นก็มองไม่เห็น สิ่งที่จะควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในตนสิ่งที่จะสามารถก้าวขึ้นไปให้ถึงเป็นขั้นขั้นตอนๆแห่งความสุขหรือแห่งขั้นแห่งธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปได้ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปได้แม่จะมีหูตาจมูกลิ้นกายใจอยู่โดยสมบูรณ์ แต่ก็สมบูรณ์ในวิสัยของมนุษย์สามัญที่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่ท่านให้ชื่อกิเลสเป็นเครื่องปกปิดกาบังความจริงทั้งหลายเอาไว้นำแต่ของปลอมออกมาประกาศนำแต่ของปลอมออกมาล่อลวงสัดโลกเมื่อสัตโลกไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องยึดไม่มีสิ่งใดเป็นที่เกาะเกี่ยว เป็นที่เชื่อถือได้ก็ยึดสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของจอมปลอมเข้าสู่จิตใจและยึดเข้าโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นนิสัยของจิตที่ยึดที่เชื่อในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายร่อยมาหูตาแม้จะมีก็ยอมเชื่อในสิ่งที่จอมปลอมเหล่านั้นไม่สามารถที่จะ เื่อในของจริงเพราะไม่เคยเห็นของจริงคืออะไรเช่นบาปซึ่งเป็นของจริงโดยแท้บุญเป็นของจริงโดยแท้มีอยู่ดั้งเดิมมาแต่การไหนไหนนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเป็นของจริงโดยแท้มีมาแต่แต่ดั้งเดิมการไหนไหนแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ไม่สามารถที่จะเห็น จึงไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้อันเป็นที่มงคลหรืออันเป็นความดีเข้ามาเป็นเครื่องประดับใจหรือส่งเสริมจิตใจหรือขยายจิตใจของตนให้มีความรู้ความฉลาดกว้างขวางอย่างทราบได้อย่างลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนีเราเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนา ถึงนับว่าเป็นผู้มีวาสนาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายโดนดูทุกวันทุกเวลาทุกอริยาบถเรายังไม่สามารถมองเห็นได้แต่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในขั้นเริ่มแรกซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเต็มพระสติกําลังความสามารถวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงเสาะแสวงหาธรรมเพื่อพระองค์เองเป็นอันดับแรก และเพื่อจัดโลกทั้งหลายเป็นอันดับต่อไปนั้นเป็นความลำบากยากเย็นเฉ็นใจที่สุดในโลกมนุษย์เราไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดาสามารถทำได้เหมือนอย่างพระองค์เช่นการเสด็จออกทรงถนวดเพื่อจะขุดค้นหาธรรมของจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในโลกมาดั้งเดิมก็ทรงเสด็จออก ด้วยความลำบากยากเย็นเข็นใจมีพระช น, นะอมาตเท่านั้นหรือนายั น, นะอมาตเท่านั้นเป็นผู้ติดตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวกับมากันทกะเรียวกว่มาม้ามงคลของพระองค์ไม่สามารถที่จะอำลาญาติมิตรเพื่อนฝูงพระบรมชายา เนีพระราชโอรสพระราชบิดาเลยหากว่าจะแย้มความประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้ท่านเหล่านั้นทราบก็จะเป็นอันตรายเป็นอุปสรรคต่อการเสด็จออกลงผนวชซึ่งเป็นสิ่งที่ธงมุ่งมั่นอย่างเต็มพระทัยอยู่แล้วเพราะเหตุนั้นแม้จะได้รับความทุกข์ความลําบากความอะไรเสียดาย ในสมบัติพระสถานไห้ฟ้าประชาชีเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมชายาของพระองค์ได้แก่พระนางยโสธราพินพาก็ต้องสเสด็จออกด้วยความฝืนพระไทยอย่างยิ่งฝืนอย่างเต็มที่ไม่มีใครจะฝืนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า เพราะลูกใครก็ตามเมียใครก็ตามสมบัติพัฒถานของใครก็ตามบริษัทบริวารไรฟ้าประชาชีของผู้ใดก็ตามย่อมมีความรักความสนิทติดจมได้เป็นเช่นเดียวกันหมดแต่ทิฏฐานาช ก, กุมารที่เสด็จทรงผนวดคราวนั้นทรงฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ประหนึ่งว่าพระไทยจะหลุดขาดสะบั้นลงที่หอประชารา หอปราศาสตร์นั้นเดือแต่ศิลธรรตราชคุณมารันเป็นร่างเปล่าๆไม่มีวิญญาณตามไปเลยเพราะความอะไรเสียดายแต่ก็ทรงฝืนอย่างเต็มที่นี่คือศาสนาของเราที่ทรงดำเนินมามีความยากลำบากแค่ไหนให้เราพึงคำนึงแล้วนำมาเป็นคติเครื่องคร่ำสอนตนจกพอมีแนวทางก้าวเดินตามเสด็จครูได้แก่ศาสดาของเราไปโดยลาดับลาดับ มีเวลาเสด็จออกถึงที่ประหนดแล้วสถานที่อยู่ที่อาศัยไม่ใช่หอปร า, าสาท ร, ราชมนเทีร์คนที่อยู่นั้นได้แก่ที่วาศิทธทัฐราชสุคุมาร น, นั้นกลายเป็นคนอนาถาไปแล้วไม่ได้เป็นศิริทัฐราชสุคุมารไม่ใช่เป็นพระเจ้ากรุงกบิลพัฒน์แล้วกลายเป็นคนอนาถาหาขอทานเขากินอาหารนั้นไม่ใช่อาหารของกษัตริย์ แต่เป็นอาหารของคนขอทานทั่ๆไปที่เขาโลกที่โลกเขาให้ทานกันตามประเพณีนิยมของเขาเพราะเวลานั้นไม่มีศาสนาเขาจะทราบได้อย่างไรว่าการให้ทานมีผลมากน้อยอย่างไรพอที่จะมีกใจหาของดีของดีมาถวายพระองค์และเขาก็ไม่ไม่ทราบด้วยว่าพระสิทธาราชกุมาร น, นี้คือพระเจ้ากูุงกบินลพัดไม่มีใครทราบได้เลยทราบแต่สมณะ องหนึ่งเท่านั้นที่เป็นคนขอทานเพราะฉะนั้นพระกาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เสวยนั้นจึงเป็นพระกาหารของจึงเป็นอาหารของคนอนาถาโดยสมบูรณ์ไม่มีอาหารแห่งกษัตริย์แฝงอยู่แม้แต่น้อยเลยเปลียนมากมถ้าเราจะพิจารณาตามความเป็นกษัตริย์ลดตําแหน่งลงไปถึงขั้นคนขอทานยากไหมลําบากไหมทุกแค่ไหน ที่อยู่ก็ไม่ที่อยู่ไม่ใช่ที่อยู่ของกษัตริย์เป็นที่อยู่ของคนอาถาหาที่พึ่งไม่ได้อาหารปัจจัยก็ไม่ใช่อริอาหารของ พ, พระเจ้าคุ้มกบินลพัดเป็นอาหารของคนอานณาถาเครื่องนูหอมใช้ส้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งเกี่ยวข้องที่พระองค์จะทรงอาศัยเวลานั้นเป็นเรื่องเป็น สิ่งของที่เป็นของคนอนาถาเสียทั้งสิ้นนี่แล้วประโยคแห่งความภาคเพียนของพระองค์ก็ได้ทรงเร่งลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะส ะ, สะแสวงหาอัจหาธรรมสแสวงหาความถูกต้องเพื่อทำทั้งหลายที่ทรงมุ่งอยู่แล้วด้วยวิธีการต่างๆอดพระกาย า, ารก็ถึงสี่สิบเก้าวัน แต่การอดพระกาหารของพระพุทธเจ้าของศิทธิสาราธุกมุมารนั้นมุ่งเพื่อความตรัสรู้ด้วยการอดพระกยายหารอย่างเดียวไม่ได้มีจิตตภวนาเข้าเกี่ยวข้องและการอดอาหารนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องสนับส น, นุนความภาคเพียนทางกิตตภาวนาให้เป็นไปเพื่อความสะดวกแต่อย่างใดแต่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆด้วยการอดอาหารนั้นคือเพื่อความตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นโดยสายเดียว เมื่อผิดทางจึงเป็นไปไม่ได้ความเป็นไปไม่ได้เท่านั้นยังไม่แล้วพระพุทธเจ้าพระสีสถ า, า, านตสุภุมารทรงได้รับความลำบากลำบลเพราะการสุก้นทรมานพรอองถึงสี่สิบเก้าวันไม่รับภรกยาหารเลยนั้นมีความทุกข์ความลำบากมากเพียงไรปรากฏในตำลับตำลาว่าพระพุทธเจ้าของเราสลบถึงสามครั้ง คำว่าสรบปถึงสามครั้งนั้นก็คือว่าตายแล้วฟื้นมาสามหนถ้าไม่ฟื้นก็ตายนี่คือประโยคพยายามแห่งศาสนาผู้ขุดค้นทำของจริงเพื่อพระองค์และเพื่อสอนโลกมีความลำบากเพียงไรการบำเพ็ญอยู่ด้วยความลำบากลำบนยิ่งกว่าคนติดคุกติดตารางนั้นเป็นเวลาหกพระภรรษาของ สิทธาราชกุมารองนั้นวาราสุดท้ายจึงได้ทรงบาเพ็ญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยถือพระนิมิต ท, ที่คราวยังทรงพยาวที่พระราชบิดาพาเสด็จไปแลกนาขวานแล้วพระองค์อยู่ว่างๆตามภาษาแต่ไม่ใช่ภาษาเด็กก็ทั่วไปแม้พระองค์จะเป็นเด็กก็ต า, ามก็ทรงกำหนด พิจณาอนาปานัสติเป็นความสงบเยือกเย็นมากในขณะนั้นแล้วทรงย้อนจิตย้อนพระจิตของพระองค์ไปยึดเอาหลักนั้นเข้ามาปฏิบัติได้แก่กำหนดอนาปานัสติตามแบบฉบับที่ทรงบำเพ็ญในตอนที่ทรงพยาในคืนวันนั้นปฐมยาม ก็ได้บรรลุธรรมเป็นขั้นขั้ น, นเรียกว่าอภิญญาณความรู้แจ้งไปตามลำดับภูมิของความที่พระองค์จะเป็นศาสดาอยู่แล้วกไว็ได้ปรากฏอะไรดืมนั่นแหละฮะอ่าได้ปรากฏทราบชาติ ของพระองค์ที่เคยเกิดแจกเก็บตายมากี่ภพกี่ชาติที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือชาติย้อนหลังไปได้ความที่เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติทั้งๆ ท, ที่พระองค์ไม่เคยระลึกได้เลยแต่เมื่อทรงบําเพ็ญกิจตภาวนาในคืนวันนั้นตอนปฐมมยามผลได้ปรากฏขึ้นเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณ ทรงะระลึกขาดย้อนหนังได้และพอทุติ อ, อมัชชิมายามก็ทรงทราบจิตุปาตยานมีญาณอย่างทราบความเกิดความตายของตัตว์แล้วคือว่าเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรอีกสับสนเปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างนี้ทุกตัวตัตว์ไม่มีความ แน่นอนในภพในชาติในกําเนิดที่เกิดที่อยู่ของตนเลยเพราะอํานาจแห่งกรรมกรรมคือสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายทําไว้แล้วนั่นแหละเป็นเครื่องผันแปรสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับวิบากจากผลแห่งกรรมนั้นเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นรูปรูปดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำไม่สม่ําเสมอกันทั่วโลกกระถา พ, พระองค์ทรงสามารถทราบได้ยอย่างชาัดเจนในจิตตุ ป, ปาตยาณ นี่เป็นมัชฌิมายามผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญุตุปาตยานโอจะการบำเพ็ญอนาปานสติคือลมกำหนดมีสติกำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกพอปัจฉิมายามจิตใจพระองค์มีความผ่องแผ้วมีความผ่องใสามากโดยลำดับทรงใช้ตรีชายานคือพระปัญญาพิจาควานคว้า สัจธรรมทั้งหลายตั้งปัจจัยการขึ้นเป็นหลักสัจธรรมอันสํำผญปัจจัยการนั้นได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณนะปัจจยานามรู ป, ปังเรื่อยประจงกระทั่งถึงทั้งเหตุทั้งทั้งฝ่ายสมุทยัยทั้งฝ่ายนินมมัตจนถึงขั้นนิโรโทโหติ นี่ทรงพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับแห่งอาการต่างๆในพระขันในพระธาตุพระขันของพระองค์นี่แหละยกขึ้นมาพินิษพิจารณาตั้งเริ่มแรกตั้งแต่อวิชชาซึ่งเป็นพืชอันสำคัญที่จะทำให้แตกแขนงออกไปเป็นวิญญาณเป็นนามรูปเรื่อยไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นภพเป็นชาติ เป็นความแก่เกิเดแก่เก็บตายมาไม่มีที่สิ้นสุดออกมาจากไหนผู้องค์ทรงค้นคว้าย้อนหน้าถอยกลับเข้าสู่พระจิตเพราะจิตเป็นสิ่งสมคัญเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดก็สิงอยู่ภายในจิตครอบงำจิตอยู่โดยละเอียดละอออไม่มีใครสามารถจะทราบได้และก็ไม่พ้น พระปีชาสามารถฉลาดรู้ได้แก่พระปัญญายาณของพระองค์ทรงทราบถึงเรื่องอาการที่เกิดขึ้นจากอาวิชชาเป็นอาการต่างๆแล้วย้อนเข้าไปสู่หลักใหญ่คืออวิชชาปัจจัยนี้ก็เป็นอันว่าย้อนเข้าไปสู่ตัวจิตซึ่งพาให้เป็นพบเป็นชาติเข้าพบนั่นเข้าชาติมีเกิดที่นั่นปฏิสนธิวิญญาณที่นี่เพราะ ทำหน้าแถ่งอวิชาเพียงตัวเดียวเท่านั้นจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดทำลาอวิชาปจิยาสร้างคาราภายในพระจิตนั้นให้ขาดกระเด็นออกไปไม่มีสินใดเหลือเลยจึงปรากฏเป็นธรรมที่บริสุทธิพ้นโลกขึ้นมาเรียกว่าเดตรัตสรู้ถังเป็นอาสวะคยายานขึ้นมาในปิมมัย นี่คือองค์ศาสนาที่เป็นครูของพวกเราทั้งหลายที่ได้ทํามาสั่งสอนนี้ไม่ใช่ได้มาด้วยความรุ่นดาเกาหมาักแต่ได้มาด้วยความสละตายทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแรกสเสด็จออกบรรพชาไปโดยลําดับดับจนกระทั่งการบําเพ็ญของพระองค์ไม่มีการลดละพ้อถอยถึงขั้นสลบถึงสามหน คนเร า, ถ, าถ้าลงไม่ฟื้นก็ต้องตายเท่านั้นสุดท้ายกิเลสตายหมดไม่ฟื้นส่วนพระสิทธาราชกุมารกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ตายไปตามกิเลส้วยเหตุนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นจึงควรนำคติตัวอย่างนี้เข้ามาเทียบสนิทติดกับใจของตนโดยยกองศาสนาเป็นครูของเรา เวลาได้เก็บไข้ได้ป่วยเวลาเกิดความขี้เกียจขี้คร้านห่วงใยทางโลกทางสารซึ่งเป็นเรื่องของมัตตจักรหมุนเวียนจิตใจแล้วให้ระลึก ถ, ถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านฟันป่าอุปสรรคซึ่งเป็นวัตจักอยู่ภายในจิตออกไปได้ด้วยเหตุผลกลไกลอันใดถ้าไม่ใช่ด้วยความฆ้าหานขานใครด้วยความอุตสาห์พ ย, ยายามด้วยความเป็นนักต่อสู้เราเป็นลูกขีตถาคตถ้าไม่ นำวิธีการของพระพุทธเจ้ามาใช้มารบมาต่อสู้กับฆ่าศึกค่าศึกจะแพ้ไปได้อย่างไรนอกจากฆ่าศึกจะย่ายีตีแหลกเราใหล้ละเอียดเป็นผุยผงไปโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องยึดพระพุทธเจ้าว่าพุทธทังสงัณังคัฉามิต้องยึดทั้งพระองค์มาเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตาภายในใจด้วย ยืดทั้งปฏิปทาเครื่องดาเนินกองพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางเป็นเครื่องพยุงจิตใจเวลาเกิดความอ่อดแอท้อถอยจะได้มีกาลังบงังคับมีความอาจาันฮึดสู้กับกิเลสกิเลสนั้นชอบเหลือเกินเรื่องความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความผัดเพี้ยนเปลี่ยนตัวผัดผัดวันประกันทุ่งว่าไวเล็กไวยน้อยไวเท่าไวแก่ มากไม่สมบูรณ์วันนี้เช้าวันนั้นสายวันนั้นบ่ายวันนี้เย็นไม่มีเวลาเวลาจะบำเพ็ญบำเพ็ญคุณงามความดีไม่มีเวลาจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่กิเลสหัวยอะอตลอดเวลาถ้าหากพูดตามภาษาของเราให้เห็นอย่างชัดๆก็เท่ากับกิเลสนั่นแหะหันหัวหอมเอาไว้พัวพลิกตาพริกไว้เรียบร้อย เรานั้นขึ้นถูกเคียงรออยู่แล้วแล้วก็จะเอามีดมาสับยำเราทั้งคนนั้นอนะ่ะให้เป็นลาบแล้วลงระคนคุกเข้ากันกับหอมกับกระเทียมนั้นเป็นอาหารของกิเลสอย่างอเด็ดอร่อยนี่คือความชอบของกิเลสกิเลส ช, ชอบอย่างนั้นแต่กิเลสกับธรรมนั้นเป็นข้าสุดซึ้งกันกันธรรมไม่เป็นเช่นนั้นกิเลสมีความ เฮียมโหดที่เรศมีความผ่าพผนเพียงไรทำจะต้องมีความเฮียมโหดมีความผ่าพผนยิ่งกว่านั้นหรืออย่างน้อยเพียงเท่านั้นจึงจะต่อสู้เพื่อความเสมอหรือชัยชนะกันได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ใช่หมูขึ้นเคียงแบบผู้ขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอขึ้นหมอนแล้วไม่ยอมลงเหมือนพวกเราทั้งหลายเวลาภาวนา พุทโธธรรมโมสังโคได้ไม่กี่ประโยคน์อนาปาณหาติลมหายใจยังไม่ถึงท้องทางกิเลสมันร่ายมลร่ายค า, าถาว่าควรนอนแล้วเดี๋ยวจะลำบากลำบนวันพรุ่งนี้มีหน้าที่การงานจะทําหนักหนาทําทนั้นบ้างทํานี้บ้างเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมีล่าเวลาจะเหนื่อยยากลําบากเดี๋ยวการงานดําเนินไปมาได้เดี๋ยวผู้ใหญ่ต้องติบ้างหาเรื่องหาราวไป ถ้าเป็นพระก็วันนี้ไม่สะดวกสบายวันพรุ่งนี้เราค่อยทำความภาคเรียรวันนี้รู้สึกเหนื่อยนอนพักสักนิดหนึ่งสักนีบหนึ่งแล้วค่อยเดินจงกรมนั่งสมาธิพอกิเลสได้มนได้ไม่สองไม่ถึงสองจบฟังเสียงลมลงถึงหมอนเหมือนฟ้าถลม่มแล้วก็ดังครอกครอกครอกห น, นีกิเลสฆาขนกิเลสทำลายคน ทำลายอย่างนี้ทำลายธรรมของผู้พิจของผู้ต้องการกิเลสของผู้ต้องการทำของผู้มุ่งหวังธทมก็ทำลายอย่างนี้นักธรรมะนักต่อสู้กับกิเลสในแนวทางแห่งความเป็นลูกจิตมีครูต้องเป็นผู้อดทนต้องเป็นผู้มีความเพียรต้องเป็นผู้เรียนวิชารอบรู้กลมายาของกิเลสให้ออภอบขอบคิด ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนกิเลสจะยอมลงไปโดยลำบับกิเลสร้องห่มร้องไห้เหมือนกับคนตนจะตายหรือญาติลงของตนจะตายจากกันด้วยตนจะตายด้วยอปู่ ญ, ญ่าตายายของกิเลสทั้งหลายก็จะตายด้วยโคดแท้ของกิเลสซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบันอยู่บนหัวใจของผู้ใดก็าตามด้วยความสนุกสนานแต่ก่อนก็จะล้มหายตายจากกันไปกิเลสทั้งหลายมีความ ควครคางบุ้นวากันสนั่นวันไหวไปทั่วโลกธาตุเพราะอำนาจแห่งความเพียรของลูกกิตตถาคตอันปรากฏเด่นด้วยความอดความทนปรากฏเด่นด้วยความกล้าหาญชันชัยปรากฏเด่นอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความสามารถฉลาดรู้ทุกแง่ทุกมุมตามทันกิเลสภาดปันหันแหลกตายอยู่ทุกแห่งทุกหนในทางจงกรมกิเลสก็ตายเกลือนนั่งสมาธิภาวนา ที่นั่งสมาธิภาวนากิเลสก็ตายเกลื่อนที่นอนหมอนมุ้งก็กิเลสตายเกลื่อนด้วยความพินิษพิจารณาอยู่ที่ไหนที่ขบที่ฉันมีแต่ซ่าของกิเลสเต็มไปหมดแต่ไม่ต้องเผาศพให้ลำบากเพราะอำนาจแห่งความเพียรสังหารสำคัญที่สุดก็คือสติกับปัญญาเป็นเครื่องมืออันทันสมัยมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าของเราไม่เคยล้าสมัยจนบัดนี้กิเลส จ, จึงไม่กลัว สิ่งใดนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมของพระพุทธเจ้ากิเลสเคยตายเคยจิบหายวายปวงไปเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากมาแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้สังหารกิเลสให้วอดวายตายจากใจไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือนับตั้งแต่ตัวกิเลสถึงโคถึงแฉปูยาตายายมาตั้งกับตั้งกันได้ ม้วนเสือลงไปเรียบพุทธไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุ น, นั้นกิเลสจึงต้องกลัวควรนักปฏิบัติผู้เป็นเช่นนี้นี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธทางสนงังนิษฐานมิของเราท่านทำอย่างนี้ท่านฆ่ากิเลสด้วยยิ่ีนี้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธโธเป็นศาสด า, ศาองค์เอกได้ด้วยอานาจแห่งธรรมเครื่องประหัรประหารกิเลส ให้ตายเรียบไปจากใจไม่มีเหลือจิตใจเตียนโลง่งเหลือแต่นิพพานังประมังฉุก ข, ขังเท่านั้นเมื่อกิเลสได้ดับลงไปแล้วไม่มีอันใดเป็นเครื่องก่อควรชวนให้รับความลำบากลำคาญภายในจิตเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมมีมัชชิมาปฏิปทาเป็นต้นคาว่ามาัชชิมัชิมาปฏิปทานั้นมีหลายขั้นหลายตอนผู้ที่ไม่เข้าใจมัชชิก็ กรุณานำประทานิพิจารณาเสียบ้างคำว่ามัชจิมาปฏิปทานั้นเป็นธรรมที่เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะเหนือมัชจิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไปได้เลยคำว่ามัชจิมานั้นกับกิเลสมีหลายขั้นหลายภูมิกิเลสประเภทที่ผาดโผนโร้นประเภทที่โหดร้ายทารุณประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆมีอยู่เยอะ เราจะเอาวิธีไหนไปใช้กับกิเลสประเภทนี้เมื่อกิเลสประเภทนี้มีแต่ความผาดโผนโลดเต่นมีแต่ความโหดร้ายทารุณเราต้องใช้ธรรมะประเภทผาดโผนโลดเต่นโหดร้ายทารุณต่อกิเลสฟาดปันหันแหลกทั้งที่อยู่ที่เดินที่นั่งที่นอนไม่มีกลางคืนกลางวันมีสติปัญญารอบตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละทันกับกิเลสประเภทที่มันผาดโผนโลดเต่นแล้วกิเลสกระหม่อมรากไปด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้ กิเลสมีความละเอียดแหลมพลเข้าไปเพียงไรสติปัญญาก็มีความละเอียดแหลมพลตามกันไปขุดค้นกันลงไปค่ากันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาในครั้งพุทธการท่านเรียบอย่างนั้นความมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากเป็นที่มีความสามารถมากสติสามารถมากปัญญา สามารถมากอย่างทราบได้ทุกแข่งทุกผลทั้งกวา้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดสติปัญญานี้อย่างทราบได้หมดกิเลสจะแทรกซ้อนอยู่ในสถานที่ใดปัญญานี้สติปัญญาให้ตามขุดค้นมาฆ่าฟันหันแหลกจนไม่มีสิ่งใดเหลือ ส, สุดผลสุดท้ายก็เหลือแต่ดวงใจที่บริสุทธิ์เป็นอิสระเต็มตัวนีเรียกว่าบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอด ด้วยอํานาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องมือที่ทันสมัยปราบปรามกิ่เลสให้เรียบรุดลงไปหมดทำเหล่านี้ฟังแต่คําว่ามัชฌิมาปฏิปทาเถิดไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีสายไม่มีบลายไม่มีเย็นไม่มีการโน้นการนี้เช่นเดียวกับกิ่เลสไม่มีการไหนๆแต่อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกตลอดมาธรรมะนี้ก็ เป็นเช่นเดียวกันเมื่อนำมาปราบกิเลสประเภทใดก็ตามย่อมสามารถที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสนั้นให้จิตหายตายพินาศไปได้โดยลำดับลาดับจนกระทั่งไม่มีกิ เ, เลสใดเหลือหลออยู่ภายในใจพอเป็นพืชเป็นพันให้เกิดเจ่เจ็บตาได้อีกเลย น, นี่ท่านเรียกมัชิมาไม่ใช่ว่ามัชิมาเดิน่ามกลางเดินไปพอดีพองามมัชิมาปฏิปทา ปฏิบัติพอดีพองามไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักส่วนมากคําว่าไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักของเหล่านี้มันเป็นมัชฌิมาของกิเลสต่างหากไม่ใช่มัชฌิมาของธรรมคําว่ามัชฌิมาของกิเลสเป็นอย่างไรดังที่อธิบายแล้วเบื้องต้นนั้นจะเดินจงกรมนั่งสมาธิสักเล็กสักน้อยสิบนาทีสิบห้านาทีก็คลัวแต่จะเป็นจะตายเดี๋ยวจะเคร่งเกินไป นั้นร่างกายลำบากแล้วก้าวหน้าไม่ถึงหลังเราพักผ่อนค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละเรียกมัชชิมาจะทํามากกว่านี้จะเคร่งเกินไปนี่กิเลสมันแต่งให้ทางมัชชิมานี่เป็นมัชชิมาของกิเลสแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่ได้อะไรนั่งภาวนาก็จิตใจเทอมเอมองไปทางไหนก็ไม่รู้อารมณ์อดีตตั้งกับตั้งกันก็นํามาเข้ามาครึงมาคิดมาอ่าน ให้ยุ่งตัวไปหมดแล้วอนาคตอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนี่โดดลมโดดแล้งไปคว้านั่นคว้านี้ไม่ได้เรื่องอะไรพอย้อนเข้ามาตูจิตก็ได้สิบนาทีใชแล้วโ้หนี่เรานั่งภาวนาได้ตั้งสิบนาทีไม่เห็นได้อะไรก็จะได้อะไรเราไม่ได้หาอัดหาธรรมเราหาแต่เรื่องอดีตอนาคตซึ่งเป็นอารมณ์ของโลก ภายในจิตใจของเราที่เคยยึดเคยถือ ม, มาแล้วตั้งแต่การก่อนโน้นเราไม่ได้หาอาธาธรรัตถะทำทำมาอยู่ที่อดีตธทำมมาอยู่ที่อนาคตรรแต่ทำอยู่ที่ปัจจุบันณธรรมมีสติสตังจำกับหน้าที่การงานของตนเช่นภาวนาอานาปานสติก็ให้รู้อยู่กับบทธรรมคืออนาปานสตินี้เท่านั้นผลก็ปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาแต่นี้เราไม่ได้ทําอย่างนั้นร้อยไปตามอารมณ์นั่งภาวนาก็นั่งพาตัววนไปหมด วนวุ่นไปน้นวุ่นไปนี้ไม่ใช่นั่งภาว น, นามันนั่งวุ่นนั่งคิดในสิ่งที่จะเป็นกิเลสเสริมกิเลสขึ้นมาภายใจพอย้อนเข้ามาสู่จิตใจก็มาทวงคะแนนจากธรรมนี่แล้วนั่งนานตั้งหลายนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีหรือตั้งชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องได้ลาอะไรนอนจะดีกว่านานสุดท้ายก็เห็นหมอนดีกว่าธรรมแล้วนอนจะดีกว่า ถ้ามันดีกว่าแล้วทั้งโลกเขานอนกันทั้งนั้นหมอนมีไม่มีนอนได้ตั้งนั้นคนเราทําไมจึงไม่เลิศไม่ประเสริฐนี่ทั้งเท่านี้เราก็ไม่คิดมาแก้กิเลสจะทนันกิเลสได้อย่างไรผู้ปฏิบัติเพื่อทนันกิเลสต้องพิจนารณาในแง่ต่างๆให้ทันกับคนมายาของกิเลสกิเลสมันแหลมคมมากเม้ากิเลสไม่แหลมคมไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าครอครองโลกอยู่ในหัวใจของสัตว์ได้เลยจึงไม่มีสิ่งใดที่จะ สามารถกำจัดกิเลสหรือปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมในโลกนี้กิเลสไม่กลูอะไรความโลภ ก, ก็ ก, รร ก, ก็กลัวธรรมความโกรธก็กลัวธรรมความหลงก็กลัวธรรมราคาตันหานขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าประเภทไหนกลัวธรรมกันทั้งนั้นทั้งโกรธทั้งแทะของกิเลสไม่มี รายใดตัวใดที่จะมาอาถารต่อสู้กับทําให้พินาศชีบหายวายป่วงไปได้นอกจากกิเลสเสียเองเป็นผู้พินาศชิบหายจึงต้องกลัวกันมาแต่การไหนไหนแต่เราไม่นําสิ่งที่กิเลสกลัวมาสู้กับกิเลสเอาแต่สิ่งที่กิเลสที่ชอบอันเป็นอาหารอาเด็ดอร่อยของกิเลสมาถวายให้กิเลสมายื่นให้กิเลสสับเอายําเอาทุกวันสับอยู่ในทางจงกลม ซับอยู่ในที่นั่งภาวนาซับอยู่ที่หมอนซับอยู่ทุกอิเดียบทมีแต่ความเผลอมีแต่ความไม่มีสติมีแต่ความคิดเรื่องอดีตอนาคตวุ่นวายไปหมดเป็นเรื่องของโลกรุ่นล้วนไม่ใช่เรื่องของธรรมซึ่งเป็นอาหารของกิเลสกิเรสชอบอย่างนี้นี่แหละกิเรศแหลมคมอย่างนี้เองหลอกลวงคนนี่เกง่งนี่เรายังไม่เคยมีหลักธรรมเป็นเครื่องยุดจึงต้อง ผูกรลอกลวงต้มถุนของกิเลสเรื่อยๆโดยเข้าใจว่าความคิดนั้นดีความคิดนั้นถูกต้องความคิดนั้นเป็นทางให้เราผ่ อ, าอนหนักผ่อนเบาได้ความคิดนั้นนั้นบรรทุกเราได้เช่นนอนทัสมายดีการงานก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นในวันต่อไปมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นแล้วความจริงก็ว่าตนภาวนาแล้วภาวนาหาเรื่องอะไร แม้ตแต่งตะกณมายาของกิเลสแงเดียวเราก็ไม่ทันมันแล้วเราจะเอาห า, อ, า, าอัตหาธรรมอเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่ากิเลสมาครองใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการตามหลักธรรมของพระโพธิเจ้าหลังพระองค์ท่านทรงดําเนินมาแล้วเราก็ทราบแล้วในประวัติดังที่อธิบายให้ฟังนี้นอกจากนั้นสาวกทั้งหลายทั้งเป็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดา ใครออกมาจากสกุลใดแล้วมา บ, บวช ด, ด้วยความเชื่อความลังไส ต, ต่อพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเสด็จแบบว่าตัดหางปล่อยไปเลยไม่มีบัญชีดีชั่วเป็นตายไม่ใบาตายเนี่ยมอบใบาตายใหาอย่างนั้นตรงนี้ไม่มีเจ้าของรับใบาตายไปเองตายอยู่กับธรรมมอบบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา หาที่หลบซ่อนพรคลายตัวเองอยู่ในป่าในเขาในลุคขมูลร่มไม้สถานที่เหมาะสมสำหรับพระตั้งหน้าตัางตาฟากฟันหันแหลกกับกิเลสทุกปิยาบทไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนว่าขบฉันระการใดๆมีสติปัญญาติดตัวแนบสนิทกิเลสก็เข้าไม่ติดแม้ที่กิเลสที่มีอยู่แล้วก็ค่อยจางหายไปค่อยหมดไปสลายลงไปเรื่อยเพราะ อำนาจของสติปัญญากรรมจัดปัดเป่าออกไปเรื่อยๆแล้วกิเลสตัวใหม่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียนเข้าครองใจอยู่แล้วกิเลสเข้าไม่ถึงพูดสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็เกิดไม่ได้นี่ยผลของท่านก็ว่าองค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นั้นสําเร็จพระสะกิทาคาองค์นั้นสําเร็จพระอนาคาองค์นั้นสําเร็จพระอรหันต์อยู่ในป่านั้นอยู่ในเขาลูกนั้นีน่ยเราฟังพวกเรามันมีแต่ สำเร็จชั้นก่อนแล้วนินคำว่าก่อนแล้วนินทานเข้าใจไหมก่อนแล้วนินแปลว่ากินแล้วนอนนี้มันสําเร็จอย่างนี้มันสําเร็จมาท่านนมนานอันนี้จนกระทั่งมันติดนิสัยสันานเราเองไม่เคยคิดว่าอันอื่นจะดียิ่มกว่าก่อนแล้วนินกินแล้วนอนอันวิชาประเภทนี้แต่เราเป็นนักปฏิบัติเราต้องพิจารณาถึงองค์ศาสนาอย่าให้เพียงแต่ว่าพ้นด้วยน้ําลายเฉยๆว่าพุทธังสนางคชามิ ทำมังสังคังสนังกฐามิเท่านั้นให้เข้าถึงจิตถึงใจพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้าแล้วฝากเป็นฝากตายด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วความเชื่อความนิมิตตามหลักธรรมไม่มีอันใดที่จะมีความแน่นอนยิ่งกว่าหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีเคลื่อนคาดคงเส้นคงวาก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคงเส้นคงมาต่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดเวลากิเลสกลัว ถ้าใครได้ถือมัชฌิมาปฏิปทาแบบศาสดาถ้าถือมัชฌิมาปฏิปทาแบบกิเลสแล้วกิเลสชำหัวเราะนี่แหละเป็นหลักอันสําคัญจิตเป็นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างแม่น้าที่การงานต่างๆ <c oughs> เรายังฝึกได้เช่นเราฝึกงานฝุ่งานที่แรกไม่ชนานาญ <c oughs> เขียนหนังสือเขียนแล้วลบๆแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวเขียนห ล, ลายครั้งหลายหนมันก็ มีความชำนิชำนานสุดท้ายหลับตาเขียนก็ได้แต่เวลาจะอ่านต้องลืมตาไม่ลืมตามองไม่เห็นตัวหนังสือนี่คือความชำนานการฝึกฝนจิตใจของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันนี่เราพูดถึงภาคปฏิบัติให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติบาเพ็ญ ต, ต, ต, ตัวเองเพื่อความเป็นผู้มีสติมงคลเป็นผู้มีสง่าราศีภายใน จ, ใจิตใจหรือเรียกว่าธรรมสมบัติ มีธรรมครองใจอย่าให้มีแต่กิเลสประเภทเดียวคล อ, องใจเกิดความรุ่มร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เลือกชาติชั้นวันณะใดๆเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจ ย, ย่อมยุแย่ก่อควรทําคนให้รับความทุกข์ทันบาคอยู่ทั่วๆไปได้ไม่ขึ้นอยู่กับความมั่งมีดีจนโง่ฉลาดอันใดเลยแต่ขึ้นอยู่กับผู้มีธรรมหรือผู้ไม่มีธรรมเช่นเดียวกับโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมีอยู่ยาเป็นเครื่องกํากับรักษาบรร พอบรรเทาไปได้หรือหายไปได้โรคนอกจากโรคปัดแล้วมักจะหายโดยลําพังตัวเองได้ยากต้องอาศัยหยุกยาอาศัยหมอนี่เฉพาะ อ, อย่างยิ่งโรคกิเลสถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมักไม่หายมีแต่ความฝังจมลงไปโดยลําดับฝังหน้าแก้วรากปลอยลึกลงไปลึกลงไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องถอดถอนไม่มีธรรมเป็นเครื่องลื้อฟื้นตัดให้ขาดออกไปแล้ว ที่เลืยอยิ่งจะยางรากแก้วลากถ อ, อยลงไปลึกจนแขนลึกถอนไม่ขึ้นจึงต้องอาศัยหลักคำคำสอนคงพระโพธิจักผู้มีธรรมภายในใจจึงเป็นเหมือนคนที่มีมีโรคและมียามีหมอประจำผู้นั้นมีทางที่จะหายไปได้ไม่สุดวิสัยนอกจากประเภทปัทะธะรรมะคือมืดแปดทิศแปดด้านถ้าเป็นคนไข้ก็มีแต่คอยจะเข้าอยู่ห้องไอซีู ไม่สนใจกับหยุบยากับหมอทั้งนั้นยาจะวิเศษขนาดไหนหมอมีความรู้ความฉลาดขนาดไหนโรคประเภทนี้ไม่สนใจนอกจากห้องไอซยูเท่านั้นที่โรคนี้จะต้องการอย่างยิ่งเนี่ยประเภทที่ปัทะป ร, รมะก็เป็นเช่นนั้นคําว่าบาดว่าบุญว่าคุณว่าโทษนรกสวรรค์ไม่สนใจทำตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นเป็นบาปเป็นกองทุกข์เป็นความที่จะให้ก้าวเข้าสู่นรกอเวจี ที่ตนว่าไม่มีนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้ว่าไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ขึ้นอยู่กับความสําคัญมั่นหมายของผู้ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครจะลบล้างสิ่งที่มีอยู่นั้นย่อมลบล้างไม่ได้เพราะมีอยู่เป็นของจริงดั้งมาดั้งเดิมด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามตรัสลูทํามาแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะขาดพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสาหรับสัตว์โลกทั้งหลาย หากว่เป็นสิ่งที่พอเป็นไปได้แล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามเมื่อได้ดตรัสรู้แล้วก็ลงมาทำลายหม้อหลอลกให้มันแตกคิดหายไปหมดบาปทําลายออกหมดจากสัตว์โลกไม่ต้องให้สัตว์โลกได้รับความลําบากลําบนด้วยการบําเ พ, าพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นเครื่องลบล้างสิ่งที่ชั่วทั้งหลายนั่นเลยพระองค์จะทรงลบล้างให้เองล้างออกหมดนรกมีกี่หลุกี่ขุ่ม ทำลายออกให้แหลกละเอียดไม่มีเหลือบากมีอยู่ภายในใจของสัตโลกทำลายออกให้มีให้หมดไปหมดเลยหากเป็นสิ่งที่ลบล้างได้ทำลายได้ด้วยพระพุทธเจ้าแต่นี้มันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีเช่นเราเดินทางไปนี่หัวต่อขวางทางอยู่นั่นนะ่ะหินโสโครกอยู่ที่กลางทางนั้นนะ่ะจะทำอย่างไรเอาหลีกเอาถ้าคนตาดีแล้วกว็หลีกก็ไม่โดนหินโสโครกไม่โดนสะดุดหัวแม่เท้าก็ไม่แตก แต่ผู้ที่เข้าใจว่าหินโขดโครกไม่มีสะดุดไม่มีผู้นั้นมักจะเป็นใครแต่ต่อตัวเองด้วยการโดนสะดุดหรือเหยียบขวากเหยียบหนามคนเหยียบขวากเหยียบหนามชนโน้นชนนี้ย่ยอมเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีเพราะความประมาทของตนทั้งๆที่สิ่งนั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นมึงไปโดนเอาโดนเอาเนี่ยเรื่องคําว่า บาปก็ดีคำว่านรกก็ดีคำว่าสวรรค์นิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมไม่มีใครสามารถฉลาดรู้ได้เหมือนพระพุทธเจา้าทรงอย่างทราบด้วยพระยาณไม่มีสิ่งใดสงสัยเห็นประจักษ์แล้วจึงนำสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกทั้งวิธีหลีกเลี่ยงเช่นบาปให้ภากรพยายามละประหานสัมปทาให้ถึงพร้อมโวยกานละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษแก่ตนเองเนี่ยท่านก็สอนอย่างนั้น แล้วพยายามบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่ตนคือบุญคุกุศลเนี่ยแล้วคนเราถ้ามีบาปมากนรกนั้นอ่ะเราจะว่าไม่มีก็ตามจะว่าเพียงไรก็ไม่ขึ้นอยู่กับคําว่าไม่มีเพราะคําว่าไม่มีนี่ไม่ได้ไม่มีด้วยความรู้เห็นจริงๆแต่ไม่มีด้วยความบอดหนวกของตนเองแล้วก็ไม่พ้นที่จะไปนรกก็ได้ผู้ที่ว่านรกไม่มีผู้ที่ว่าบาปไม่มีนั่นแหละคือครั้งแห่งบาป างแห่งนรกอยู่กับหัวใจดังนั้นดูกับคนคนนั้นผู้นั้นแอผู้ที่จะไปตกนรกผู้ที่ว่านรกไม่มีผู้ที่จะหาบาปหนักที่สุดก็คือผู้ที่ว่าบาปไม่มีนั่นแหละเพราสร้างแต่บาปก้าวเข้าสู่แต่นรกอย่างเดียวผู้ที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีผู้นั้นเป็นผู้ขยะขแขยงสิ่งที่ควรละย่อมละไปโดยลำดับละถ้าจงกระทั่งบาปมันไม่มีภายในใจ แล้วกับนรกเข้าม่ไปข้าสมสรานีมีความกระหิมยิ้มย่องบำเพ็ญคุณงามความดีควรจะได้ถึงขั้นไหนเอาไปนำเนินไปผู้นี้มีสุขโตเป็นที่หวังไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งสามารถอาจรู้ถึงธรรมอันขั้นสูงสุดคือวิมุตติพานประจักษ์กับใจของตนเองแล้วหายสงสัยความเกิดแก่เกิบตายที่เคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่ภพกี่ชาติ ได้ถูกลบล้างลงแล้วด้วยมัชชีมาปฏิปทาคือธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรามานํามาบําเพ็งสุดท้ายก็เป็นคนท่าสดขึ้นมาได้เนี่ยใจเป็นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมได้แม้เราเป็นคาวาสก็ตามความประพฤติตนให้เป็นคนพอเหมาะพอสมมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีเขตมีแดนนั่นเป็นสิ่งที่งามตาสมกับชื่อของชาวพุทธรู้จักวิธีรักษาตัวบําเพ็ญตัว งานทางโลกทางศ า, านก็ไม่ขาดเราต้องทําเพราะเหตุใดเพราะธาตุขันเป็นสิ่งที่มีความบกคร่องต้องการสิ่งที่เยียวยาอยู่เสมออยากหลับอยากนอนอยากดื่มอยากรับทานว่าอย่างไงแล้วเมื่อไม่ทําจะเอาอะไรมารับทานบ้านไม่มีจะเอาอะไรมานอนหมอนไม่มีจะเอาอะไรมาหมุนเวลาหนาวหนาขึ้นมาผ้าหม่มไม่มีจะเอาอะไรมาหม่มเราต้องไในสอดแสวงหา มาเพื่อเยียวยาสิ่งที่บกพร่องมัน ต, ต้องต้องการอยู่ตลอดเวลานี้จนได้หนี่งานนี้ก็เป็นงานจําเป็นสหนักธาตุขันงานบูญงานกุศลงานจิตตะภาวนาที่เราจะบําเพ็ญจิตให้มีความสงบร่มเย็นอันนี้เป็นงานหรือเป็นโอชารสหรือเป็นอาหารของใจก็อย่าให้ขาดอาหารของนั่งกายที่พึ่งของกายได้จากข้าวน้ําโภชนาอาหารที่อยู่ที่อาศัยก็ให้มี อาหารของใจหรือที่พึ่งของใจคือพุโทโธธรโมโสังโฆทานศีลภาวนาก็ให้มีใจก็ได้ที่พึ่งใจก็ได้หลักใจก็ได้อาหารใจก็ได้สิ่งเน่ยได้ที่ยึดร่างกายก็มีที่ยึดมีที่อาศัยคนนั้นย่อมไม่ลำบากทั้งมีทา่ามีขันความเป็นอยู่ในเวลานี้ตลอดเวลาทา่ า, าจากท่าจากขันอันนี้ไปแล้วเราก็อาศัยความบุญความุสลสุขโตเป็นที่หวังได้ นี่สำหรับคนไม่ประมาทคนมีความฉลาดมองดูให้เห็นการไกลอเรื่องพบนี้พบหน้าชอบคำว่าพบราชาติความเกิดแจ็เจ็บตายนี่มีอยู่กับทุกคนใครจะปฏิเสธอย่างไงว่าตายแล้วศูนย์ก็ตามมันศูนย์ตั้งแต่คําพูดนั่นแหละมันศูนย์แต่ความสําคัญเท่านั้นแต่ธรรมชาติแห่งความจริงจริงๆแล้วมันศูนย์ไม่ได้เราเป็นนักเกิดศูนย์มาได้อย่างไรถ้าว่าตายแล้วศูนย์ ชาต์ทั้งหลายมาเกิดในโลกได้อย่างไรตัวเรามาเกิดในในโลกนี้ได้อย่างไงถ้ามันศูนมันต้องศูนไปหมดดินน้ำลมไฟก็ศูนจิตใจของเราก็ศูนคําว่าดินน้ําลมไฟได้แก่สิ่งที่ผสมอยู่ในธาตุขันของเรานี้ส่วนให่ก็มีธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟมาสมผสมกันเข้าเป็นก้อนมีจิตวิญญาณเข้าไปอาศัยแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของ เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนร่างกายเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเพราะอํานาจแห่งอวิชชาปัญญาสร้งคาราเป็นเชื้อให้พาเกิดเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะลบล้างอะไรให้ไม่ให้มันเกิดได้และ่ะถ้าไม่ลบล้างอวิชชาอันเป็นตัวเชื้ออยู่ภายในใจให้ออกหมดแล้วยังไงก็เกิดวันนั่งคําเกิดทุกฤดูเกิดทุกฤดูหนาวหากว่าเรายังไม่สามารถฉนาดรู้ที่จะลบล้างอวิชชาย น, นี้ได้ เราก็พยายามบำเพ็ญคุณงามความดีของเราให้ได้เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมทุกภพทุกชาติไปจนกระทั่งมีความสามารถฉลาดรู้เต็มที่แล้วลบอวิชชาออกจา ก, กจิตใจเสียเลยแล้วก็ดุขั้งนัดทิอาชาตาัตะอืมอันเรื่องเกิด บ, บ่อยทุกบ่อ ย, ยนี้เป็นอันว่าหมดกันไปเสียทีวัตจกักรหมุนอยู่ที่ใจพายเกิดจากเจิดตายหมดไปแล้วตัดสินกันขาดแล้วระหว่างวัตจักรกับเราเดี๋ยวนี้เป็นวัตจักรขึ้นมาแล้วอิสระเสียดี นี่ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นแล้วอย่างนี้รู้แล้วอย่างนี้เห็นแล้วอย่างนี้เป็นผู้วิเศษแล้วด้วยวิธีการเหล่านี้จึงได้มาอบรมสั่งสอนพวกเราเราจึงไม่ใช่โมฆะผุรุษโมฆะชาตรีได้ทมอันวิเศษวิโสของพระพุทธเจ้ามาครองใจขอให้นำธรรมนี้เข้าไปประดับตกแต่งจิตใจของเราให้สวยให้งาม ให้งามทั้งมารยาทคือความประพฤติงามทั้ง จ, จิตใจมีศีลมีธรรมมีความเมตตาสงสารเห็นใจซึ่งกันและกันมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะเราเป็นมสัตว์ที่ขาดอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์ไปอยู่ที่ไหนต้องมีหมู่มีพวกตั้งบ้านตั้งเดือนตั้งตำบลอำเภอจนกระทั่งจังหวัดประเทศเขตแดนเต็มไปหมดเพราะมนุษย์ที่ขาดอยู่ด้วยตนเองไม่ได้เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็อย่าทําการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบขี้คดชี้โกงรีดไถคนอื่น โดยที่เห็นเขาเหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งเป็นคนหรือเป็นเทวดาเฉพาะเราคนเดียวนั้นมันลําบากมันผิดธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะสร้างความสุขทั้งเราอยู่บนหัวของคนที่มีความทุกข์ทั่วโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้จะมีสุขแต่เราคนเดียวให้คนอื่นได้รับความทุกข์ความลําบากทั้งหมดนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาก็สุขบ้างเราก็สุขบ้างเขาทุกข์บ้างเราทุกข์บ้างต่างคนต่างอาศัยการเห็นคุณค่าของการะการเท่ากันแล้วอยู่ด้วยกันสบายมีการให้อภัยกันได้มนุษย์เรา นักมีการเสียสนะกันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นฐานสุขนี่หลักธรรมของพระเจ้าในระหว่างแข็งมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเขาปฏิบัติกันให้ถูกต้องระหว่างสามีภรรยาก็เหมือนกันเอออย่าดักหน้าดักหลังเป็นขโมยสามีก็เป็นขโมยไปแบบหนึ่งภรรยาก็ขโมยไปแบบหนึ่งไว้เนื้อไว้ใจกันไม่ได้เอเพียงนับต้นไม้ต้นเดียวก็ไปแล้วทะเลทะไหลไปหาอาหารว่งอาหารว่างยุ่งไปหมดแ ฟ, แฟนนู้นแฟนนี้ ไปที่ไหนมีแต่แฟนเต็มบ้านเต็มเมืองแฟนเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นเขาเรียกสุนัขอะสุนัขมันไม่เลือกละมันมีกี่ตัวก็ไม่ทราบเมียของมันผัวของมันเต็มเกลื่อนไปในตลาดเนยเราดูเอาเราไม่ใช่สุนัขผัวต้องเป็นผัวเมียต้องเป็นเมียเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นเมียก็ต้องทราบตัวเองว่าเรามีผัวเพียงคนเดียวผัวก็ต้องทราบตัวเองว่าเรามีเมียเพียงคนเดียวฉะนั้นนอกนั้นมีหญิงตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านไม่สำคัญไม่ใช่เมียของเรา ผู้ชายมีตั้งหมืน่นตั้งล้านไม่สําคัญไม่ใช่เมียไม่ใช่ผัวของเราไม่ใช่เมียของเราเพียงเท่านี้คนเราก็ไว้ใจตัวเองได้เมื่อไว้ใจตัวเองได้แล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ไปเถอะทีนี่จะไปทํางานในบ้านนอกบ้านไปที่ไหนไปมีความผาสุขสบายด้วยกันทั้งสองฝ่ายผลได้ได้เกิดขึ้นมาก็นํามาครองที่พักรับความผาสุขร่วมเย็นนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าทําบุคคลให้มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้นับตั้งแต่สามีภรรยาเป็นไปจกนกระทั่งเป็น ส่วนรวมส่วนใหญ่เราดูที่ในวัดเขาน้ตสามผานนี่เขาเราเคยเห็นไหมไอสัตว์ป่ามากลายเป็นสัตว์บ้านไก่ป่ามากลายเป็นไก่บ้านเราเห็นไหมเพราะอานาจแห่งธรรมสมัครสมานไปได้หมดให้ความสาคัญแก่สัต ว, ต ว, ต ว, ว์ทุกตัวสัตว์ให้ความถนิดสนมแก่ทุกตัวสัตว์สัตว์ทั้งหลายเขาก็รู้เขายังรู้ว่าเราสถานที่นี้เย็นคนอยู่สถานที่นี้คือคนเช่นไรคนมีธรรม คนก็เป็นคนเย็นสัตวก็มาอาศัยเต็มไปหมดยัวยีย้ตอนเช้าตอนเย็นให้อาหารกินเหมือนสัตว์บ้านเราเคยเห็นไหมนี่เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้จะว่าทำวุติเจ้าโกหกคนได้อย่างไรนี่แหละธรรมคือความโ่้มเย็นไว้วางใจได้จะกระทั่งถึงสัตว์อถ้าใครมีธรรมละ่ะเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้วความผาสุกสัตว์ก็ามาอยู่ด้วยความผาสุกและจงพยายามนำธรรมนี่เข้าไปสู่จิตใจให้จิตใจมีความอ่อนโยนมีความนิ่มนวล แต่ตนเองแล้วก็มีความสุขความสําราญบานใจทั้งปัจจุบันที่เป็นไปอยู่นี้และอนาคตที่ยังไงก็จะต้องประสบเช่นเดียวกับวั น, นวันนี้แล้วก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ต่อมาโดยลำดับนี่ชาตินี้แล้วจะเป็นชาติหน้าอยาให้เสียชาตุยะทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นของเลิศของประเสริฐให้นํามาครองใจของพวกเราทั้งหลายชื่อว่ามนุษย์นี้เป็นชาติที่สูงสุด กว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายตามคำเสกสรรปัญนยอจนจริงๆไม่สักแต่ว่าชื่อมนุษย์เฉยๆแต่ถูกการด่าการแช่งจากสัตว์ว่ามนุษย์นี่คือเป็นตัวยักษ์อันสําคัญไปที่ไหนแตกกระจายไปหมดอย่าให้เขาได้ตําหนิ้ติดเตียนอย่าให้เขาได้ฟ้องร้องอย่าให้เขาได้ตอนินทากาเลรับหลังเราเลยเราเป็นมนุษย์ไปทั้ไหนให้มีความสง่าราศี ให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความโลภเย็นจากเราชื่อว่าเราเป็นผู้ชนดให้ความโลภเย็นแก่สัตว์ได้นอกจากให้ความโลภเย็นแก่เราแล้แลวนนัน้การแสดงธรรมก็เห็นมาส้งควรพอรู้สึกภายในไฟเหลืองเริ่มขึ้นแล้วจึงขอจิตเพียงตอนนี้ขอทุกๆ ท, ท, ท่านในําไปเราฝึกปฏิบัติหากว่าการแสดงธรรมนี่มีหนักบ้างเบาบ้า ง, างตอนไหนก็กรุณาให้อภัยแก่ผู้แสดงด้วยจึงขอจิตเพียงเท่านี้